มีเพื่อนส่งภาพเป็นภาพข่าวมาทางลน์เราจมาดูแล้วก็ถามเพื่อนกลับไปว่ามันจริงหรือเปล่านะข่าวอั้มไหมพอเดี๋ยนี้เนี่ยสิ่งที่ส่งมาทางไลน์ก็ดีทางเฟ e บุ๊กก็ดีหรือแม้กระทั่งข้อมูลในเว็บต่างๆนี่ที่เป็นข่าวเท็จข่าวลวงข่าวไม่จริงแต่งขึ้นมาเองก็มีเยอะนะเพอเอๆนี่ไอถึง 10% ก็ได้นะที่ อ่าบ้อนกันนะอยู่ในอินเทอร์เน็ตเพื่อนก็ส่งข้อมูลกลับมาว่าเนะี่ยเป็นจริงนะแล้วก็เป็นภาพข่าวจากนังสือพิมพ์ต่างประเทศนะเดลี่เทเลกราฟนะก็คิดว่าน่าเชื่อถือมันก็ไม่ใช่ข่าวอะไรนะข่าวอะไรพิสดารมากแต่ว่ามันก็แปลกเป็นข่าวเกี่ยวกับนกแก้วตัวหนึ่งนะซึ่งมันหายไปจากบ้านสี่ปีนะ ต่อหลังเจ้าของเนี่ยเจอแล้วเพราะว่านกก้าตัวนี้เนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยทั้งฟังและพูดภาษาอังกฤษได้ตอนนี้มันลืมหมดละนะมันพูดมันฟังได้แต่ภาษาสเปนนะภาษาสเปนนี่มันฟังรู้เรื่องนะแต่ภาษาอังกฤษที่มันเคยเรียนมานะที่มันเคยพูดได้มันหายไปหมดแล้วเข้าใจว่าบ้านใหม่ที่มันไปอยู่เนี่ยเขาคงพูดภาษาสเปนกันก็ยังไม่มีรายละเอียดนะว่ามาเจอได้ยังไงนะ กลับมาเจอกันได้ยังไงนะแต่ว่าเรื่องนี้ก็นอาเป็นเรื่องแปลกนะเพราะว่าการที่สัตว์เนี่ยมันรู้ภาษานมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วก็ไม่ใช่รู้ภาษาเดียวสองภาษาด้วยเพียนงะแต่ว่ามันไม่ได้รู้ภาษาทั้งสองภาษาพร้อมๆกันลกแก้วเนี่ยนะมันมีความความสามารถแทนภาษานะ คนเราอาจจะไม่เคยรู้จักมันมีนกแก้วตัวหนึงชื่ออเล็กซ์มันพูดได้ถึงร้อยคำเป็นภาษาอังกฤษนะพูดได้ถึงร้อยคำแล้วก็นับเลขได้เหมือนกันนะแต่นับได้แค่หนึ่งถึงหกนะเราเนี่ยคนเรานับได้หนึ่งถึงสิบนะแต่นกแก้วมันนับได้หนึ่งถึงหกแต่แค่มันพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ร้อยคำนี่ก็ถือว่าเก่งนะแล้วมันรู้เรื่องด้วยนะไม่ใช่ว่ า, วาพูดแบบนกแก้วนกขนทองนะตามสำนวนไทย มันสามารถที่จะเรียงตัวอักษรเนี่ยเป็นประโยคเพื่อที่จะสื่อความหมายที่มันต้องการได้เช่นเวลามันทำแบบฝึกหัดมากๆเนี่ยคือมันเป็นนกแก้วทดลองอะพอมันเหนื่อยเนี่ยมันก็อยากจะไปอยากจะพักอยากจะไปนั่งมองต้นไม้นะมันก็จะบอกว่าอยากไปต้นไม้นะอยากไปต้นไม้ ถ้ารู language, ้เงี้ยวแสงว่ามันอยากจะพักแล้วแล้วมันก็จะบินไปที่ริมหน้าต่างแล้วก็มองไปที่ต้นไม้นะมันบินออกไปไม่ได้นะเพราะว่ามันอยู่ในห้องมันก็เกาะ อ, อยู่ที่ริมหน้าต่างแล้วก็มองไปที่ต้นไม้ธรรมชาติของนกมันก็ยังผูกพันกับต้นไม้อยู่นะเวลามันเจอต้นไม้ผลไม้บางชนิดเนี่ยที่มันไม่เคยเห็นเนี่ยมันก็จะเอาชื่อของผลไม้บางอย่างที่มันรู้จักเนี่ยมาผสมกัน นะเช่นมันเคยเห็นมันไม่เคยเห็นแอปเปิลเนี่ยมันก็จะเรียกเชื่อของมันเองนะโดยเอาคำว่ากล้วยผสมกับเชอร์รี่นะบานานารีอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ให้รู้ว่าคือหมายถึงแอปเปิลอันนี้ก็คือเรื่องราวของอเล็กซ์นะซึ่งเป็นนกแก้วที่ฉลาดมากนะแล้วก็มันทำให้เรารู้ว่าโอ้สัตว์นี่มันสามารถจะรู้ภาษาเข้าใจภาษาของคนได้ให้นกแก้วตัวที่ว่านี่ก็เหมือนกันนะมันไม่ใช่นกแก้วทดลองแต่ว่ามันก็ มันก็รู้ภาษาเรียนภาษาได้เร็วสี่ปีนี่มันก็รู้ภาษาสเปนแล้วนะแต่ก็คงจะไม่ได้รู้หมดนะอย่างอย่างอย่างคนเราแต่ความรู้ของนกเนี่ยมันก็ลืมเลือนได้นะก็เหมือนกับความรู้ของคนเราเราเรียนภาษาเนี่ยนะเราเรียนภาษาอังกฤษถ้าเราไม่ได้ใช้สักสามสี่ปีก็คงจะลืมนะแต่มีบางอย่างที่เราไม่ลืมนะ่ะ เช่นการว่ายน้ำการขี่จักรยานนี่อันนี้เป็นทักษะที่มันเหมือนกับว่าจําอยู่ในสมองของเรานะสมองส่วนที่ควบคุมกล้ามเนื้อคนที่ว่ายน้ำเป็นเนี่ยนะยากในที่จะที่จะลืมนะคนที่ขี่จักรยานเป็นเนี่ยนะขี่ยังไงก็ก็ยังจําได้วิธีขี่อาจจะไม่ถนัดธรรมะธรแมงเท่าไหร่แต่ว่าในที่สุดก็ลืมนะอย่าว่าแต่อะไรเลยแม้กระทั่งกินข้าวเนี่ยถึงจุดหนึ่งนะเราก็ไม่รู้ว่าจะ ไม่รู้แม้กระทั่งว่าเวลากินแล้วเนี่ยมันต้องกลืนแต่ว่าไม่ใช่คนธรรมดาจะเป็นอย่างนั้นนะคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยอนะัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่เรียกว่าลืมแบบอแทบจะสิ้นเชิงเลยนะลืมว่าตัวเองชื่ออะไรลืมพ่อลืมแม่นะมีพียงคนนึงแกตกใจนะกลางดึกเนี่ยพ่อโทรมาพ่อโทรมาเนี่ยพ่อนี้ท่าทางกลัวมากพ่อบอกว่าช่วยมารับพ่อไปเร็ว มันมีคนแปลงหน้าอยู่ในห้องของพ่อลูกเนี่ยพอได้ฟังนี้ก็ตกใจแล้วก็เสียใจเพราะว่ามันแสดงว่าพ่อเนี่ยจําเมียงตัวเองไม่ได้แล้วเห็นเมียงตัวเองเนี่ยนึกว่าเป็นคนแปลงหน้าอันนี้แสดงว่าเป็นอาการอ่าของอัลไซเมอร์นะระยะเริ่มต้นแล้วหรืออาจจะระยะกลางแล้วจําเมียตัวเองไม่ได้ถ้าต่อไปก็จําลูกไม่ได้นต่อไปก็จะจาําอะไรไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลยนะอันนี้เราเป็นความลืมตัว นะอย่างสิ้นเชิงก็ได้คนเราเนี่ยเวลาเวลาลืมตัวเนี่ยนะเร า, า จ, จะลืมตัวเป็นครั้งเป็นคราวนะเพราะว่าถูกอารมณ์ท่วมท้นนะเช่นความโกรธนะความเสียใจมันทำให้เราลืมตัวหรือแม้กระทั่งความคิดบางอย่างนะอย่างเราเจริญสติเนี่ยนะเดินจงกรมสร้างจังหวะเราก็ลืมตัวบ่อยนะเราลืมตัวแม้กระทั่ง เรื่องง่ายๆว่าเรากำลังยกมือเรากําลังเดินนะหรือเนี่ยอีกไม่สักครู่เราก็จะกินข้าวแนละ้วบ่อยครั้งเราก็จะลืมตัวว่าเรากินข้าวแต่มันก็ประเดี๋ยวเดียวแล้วก็เราก็จะกลับมารู้สึกตัวแต่คนที่เป็นเอาไซม์เมื่อนี่ลืมหมดเลยนะลืมแบบเรียกว่าตลอดกาลเลยก็ได้และการลืมตัวแบบนี้นี่มันสร้างความทุกข์ให้กับผู้คนมากคนที่ดูแลก็ทุกข์นะบางทีเวลาเราดูแลพ่อแม่เนี่ยเราก็อยากให้เขามีอายุยืนนะ แต่ถ้าเกิดว่าเขายุยยจนถึงขั้นที่เราว่าเขาเป็นอัลไซเมอร์ขั้นสุดๆเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่เป็นลูกเนี่ยกลับจะคิดว่าถ้าเขาตายถ้าพ่อแม่ตายยังจะดีสั ก, กว่าอีกไม่ใช่เพราะว่าคนที่เป็นลูกนี่ต้องดูแลแล้วก็ต้องทุกข์ทรมานกับการดูแลนะแต่ก็ทุกเพราะเหตุอื่นมากกว่าทุกเพราะพ่อหรือแม่เนี่ยนะใครก็ไม่รู้ไปแล้ว ไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่คนเดิมนั่งมือลอยนะเรียกชื่อก็ไม่คารับนะคนที่เราเคยเคยจำได้ว่า น, นี่คือพ่อของแม่ของเราเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่รักลูกนะเป็นคนขยันเป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งนะหรือว่าทำงานนะได้คล่องแคล่วมันหมดไปละพ่อแม่ที่เรารู้จักนี่มันหมดไปละนะ กลายเป็นใครก็ไม่รู้อันนี้คือผลของการลืมตัวอย่างสิ้นเชิงเลยนะซึ่งมันสร้างความทุกข์ทรมารยกับลูกมากถ้าพ่อแม่ตายไปในขณะที่เขายังเป็นตัวเขาอยู่นี่ยังจะดีสักว่าอีกนะอันนี้เป็นความรู้สึกหลายคนนะและอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือกํอาลังจะเกิดขึ้นกับคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าที่จะพูดตรงนี้คือว่าเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าลืมตัวแล้วลืมตัวแบบสุดๆไปเลยนี่มันมันสร้างความทุกข์ทรมารยให้คนรอบข้างมาก แต่ที่แม่เราจะไม่ลืมตัวสุดๆแบบอัลไซเมอร์นะแต่ถ้าเราลืมตัวเป็นครั้งคราวเนี่ยบางทีมันก็แย่มันกันนะลืมตัวพ่อโกโรธแล้วก็อารวาจจนกระทั่งอาจจะถึงขั้นทําทร้ายนะไม่ใช่แค่ตบตีนะอาจจะถึงขั้นฆ่าเขาได้เนี่ยคนธรรมดาเนี่ยที่เป็นปุตุชนธรรมดามีศีล น, นะพอสมควรเนี่ยอาจจะกลายเป็นฆาตกรได้หากว่าลืมตัวนะอันนี้เป็นการลืมตัวโชวคร้ายนะแต่ว่ามันสร้างความ จะปวดรว่ดร้าวกับผู้คนมากนะบางทีมอล ง, ง่ายนี้เป็นอัลไซเมอร์ยังดีสักว่านะเพราะอัลไซเมอร์เนี่ยลืมตัวยังไงก็ไม่เคยทําร้ายใครให้ถึงตายนยอะอาจแค่ทําให้คนรอบข้างก็เสียใจนะผิดหวั ง, งการลืมตัวชวั่วคราวนี่มันก็นาก่นากลัวเหมือนกันลืมอะไรก็จะว่าไปแล้วก็ไม่น่ากลัวเท่ากับลืมตัวใครที่ขี้ลืมน้อยขี้ลืมนี่นะอย่างน้อยก็ยังปลอบใจได้ว่าเออเราลืมน้อยหรือนี่แต่ว่าอย่างน้อยเราไม่ลืมตัว ถ้าลืมตัวเมื่อไหร่นี่แม้จะจำโน่นจํานี่ได้เยอะนะมันกลับเป็นอันตรายใช่ลืมความเจ็บลืมการกระทําที่ไม่ดีของใครแล้วก็เจ็บแค้นพยาบาทจนกระทั่งพอเจอหน้าเขาก็โกรธโกรธจะลืมตัวก็อาจจะทํำลายเขาได้แล้วก็เกิดผลเสียหายตามมาดัางการทําแล้วก็ตามนี่นะถ้าเรารักษาความรู้สึกตัวไว้ได้นะเราลืมตัวให้น้อยที่สุดให้อา่าให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดเนี่ยนะ มันก็ช่วยทำให้ปัญหาในชีวิตเราเนี่ยมันลดลงไปเยอะแล้วก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกับพื้นได้อย่างมีความสุขด้วยเตรียมรับพอ